พระบัญญัติ522ก็ภิกษุผู้จะทำเตียงหรือต่างไม้เพื่อทำให้มีเท้าเพียง8นิ้วโดยนิ้วสุขศนับแต่แม่แคร่ลงมาทำให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องอบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเชทนกะเรื่องพระอุปนันทศักัยบุตรจบ